นิสัขคยปาจิตติปัตตวสิกขาบทที่ห้าว่าอนหนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามาก็ดีให้ชิงเอามาก็ดีเป็นนิสักคยปาจิตติการชิงเอาจีวรคืนท่านปรับเพียงเป็นนิสักคีเท่านั้นเพราะทำด้วยสกาสัญญา คือความสำคัญว่าเป็นของตนหรือนึกว่าเป็นของตนเองและท่านรับรองกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของเดิมว่ายังมีอยู่ในจีวร น, นั้นจึงไม่ปรับเป็นอวหารคือไม่ถือว่าเป็นอาการที่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์นิทานต้นสิกขาบทคือที่มาหรือต้นเรื่องแห่งสิกขาบทบ่งความข้อนี้ชัด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 ท่านจึงปรับเป็นทุกกฎและสิกขาบทนี้ปรารบภิกษุต่อภิกษุด้วยกันแต่ทำแก่อนุปสัมบันก็ไม่ดีเหมือนกันท่านจึงปรับเป็นทุกกฎอนุปสัมบันคือผู้ยังไม่ได้อุปสมบทได้แกเขาฤ ห, หัสและสา ม, มาเณรรวมทั้งสิกขามนาและสา ม, มาเณรีหรือคือผู้ไม่ใช่ภิกษุ หรือภิกษุนีภิกษุนั้นให้คืนเองก็ดีเจ้าของเดิมถือเอาด้วยวิสาสะแก่ภิกษุนั้นก็ดีทันว่าไม่เป็นอาบัติคำต้นพึงรู้เช่นรับไว้เพื่อจะทำประโยชน์อย่างหนึ่งให้รั้นจะไม่ทำประโยชน์อย่างนั้นแล้วคืนให้เจ้าของเดิมเสียเจ้าของเดิมรับคืนไม่เป็นอาบัต ทำหลังพึงรู้เช่นไม่ได้โกรธเคืองแต่เห็นว่าเธอไม่ต้องการใช้ขอเอากลับคืนมาไม่เป็นอาบัตินิสักียาปาจิตติปัตตวัคสิกขาบทที่หกว่าอนหนึ่งภิกษุใด ขอได้มาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอจีวรเป็นนิสัคิยปาจิตติคำว่าขอในที่นี้พึงรู้ว่าทำในสำนักข้ขารือหัสผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปวารณาขอผ้าที่ทอแล้วห้ามด้วยสิกขาบทปรารกการขอจีวรขอได้มาทอเอง หามด้วยสิกขาบทนี้นิสักคียะปาจิตติปัตตวัคสิกขาบทที่เจ็ดว่าอันหนึง่งพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชายญาติสั่งช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุถ้าภิกษุนั้น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 รั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้สักว่าบินทบาทเป็นนิสักคียาปาจิตตีความอธิบายแห่งสิกขาบทนี้พึงรู้โดยในยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทปรารบการเตรียมจจ่ายจีวรที่แปดแห่งจีวรวักคำว่ารูปที่ว่า จีวานเือ น, นี้ทอเฉพาะรูปในที่นี้เป็นสรพนามแทนภิกษุผู้พูดนิสัขคียาปาจิตติปัตตะวัคสิกขาบทที่8ดว่าวันบุรณามีคือวันเพนหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่ครบสามเดือนแห่งเดือนกัตติกาคือเดือน11บเอ ยังไม่มาอีกสิบวันอัจเจกาจีวอนคือจีวอนรีบร้อนหรือผ้าด่วนหมายถึงผ้าจำนำพรรษาที่ทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำหนดเวลาปกติภิกษุรู้ว่าเป็นอาจเจกาจีวอนพึงรับไว้ได้ ร, รับไว้แล้วพึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็นจีวอนการ ถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้นเป็นนิสักยะปาจิตตีเดือนกติกานั้นมีสองวันเพนเดือนกติกาต้นเรียกว่าบูรณาฏีที่ครบสามเดือนตรงกับวันเพนเดือนสิเอ็ดเป็นวันปวารณาวันเพนแห่งเดือนกติกาหลังเรียกว่าบูรณามี เป็นที่เต็มสี่เดือนบ้างเรียกว่าบูรณามีเป็นที่บานแห่งดอกกูมุตบ้างเรียกแต่เพียงว่าบูรณามีแห่งเดือนกติกาบ้างตรงกับวันเพลนเดือนส2องวันบุรณามีที่ครบสามเดือนแห่งเดือนกติกายังไม่มาอีกสิบวันตรงกับขึ้น6ค่าเดือน11อ เมื่อพ้นวันบุรณามีนั้นแล้วเข้าเขต จ, จีวอนการอันเป็นสมัยที่ทายกถวายผ้าแก่ภิกษุผู้ออกพรรษาแล้วซึ่งเรียกว่าวัสาวาสิ ก, กาหรือว่าผ้าจำนำพรรษาและเป็นเวลาที่ภิกษุผลัดเปลี่ยนจีวอนพระศาสดาทรงอนุญาตประโยชน์พิเศษไว้หลายประการเป็นต้นว่า เก็บอัติเรกจีวรไว้ได้เกินสิบวันไปข้างไหนไม่ต้องมีครบไรจีวรตลอดเดือนหนึ่งถึงวันเพนเดือนกติกาหลังถ้าได้กลานกะถินในระหว่างนั้นยืดออกไปได้อีกสี่เดือนในฤดูเหมันยังไม่ทันถึงกำหนดนั้นอีกสิบวันอาจจะมีทายกรีบร้อนขอถวายผ้าจำนำพรรษา ปรารบเหตุต่างๆเช่นจะต้องไปในกองทัพก็ดีจะไม่อยู่ด้วยกิจการอื่นก็ดีเจ็บไข้หรือเป็นหญิงมีคันไม่ไว้ใจต่อชีวิตก็ดีมีศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม่ก็ดีผ้าเช่นนี้เรียกอจเจกาจีวอนแปลว่าจีวอนรีบร้อน ทรงพระอนุญาตให้รับล่วงหน้าได้ในสิขาบทนี้และให้เก็บไว้ได้ตั้งแต่วันรับตลอดจีวรการข้อนี้ให้สันนิษฐานเห็นว่าประธานประโยชน์พิเศษไว้คือภิกษุจำนวนพรรษาอีกส0บวันจึงจะครบกำหนดสามเดือนถือว่าเป็นใช้ได้แต่ในวสุปนายิกะคันธกะ กำหนดไว้สัตตาห์หนึ่งคือสัปดาห์หนึ่งหรือเจดวันเมื่อถึงกำหนดนี้แล้วมีกิจจำจะต้องไปไม่ต้องกลับมาในเจวันก็ได้ในสิกขาบทนี้กำหนดสิบวันเท่ากับอายุอธิเรกจีวอนพอถึงจีวอนการก็ไม่ต้องวิกับคือไม่ต้องทำเป็นสองเจ้าของ ต่อพ้นกำหนดนั้นไปแล้วจึงเป็นนิสาคีนิสสคียาปาจิตตีปัตตวักสิกขาบทที่๙ว่าอันหนึ่งถึงวันบูรณามีคือวันเพนแห่งเดือนกัตติกาที่สุดแห่งฤดูฝน ภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียจ ม, มีภัยจำเพาะหน้าปรารบอยู่พึงเก็บจีวรสามผืนผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวะกบ้านได้และปัจจัยอะไรอะไรเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวร น, นั้นจะพึงมีแก่ภิกษุภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวร น, นั้นได้หกคืนเป็นอย่างยิ่ง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 ตลอดมาถึงวันเพนเดือนส2องถ้ามีเหตุบางอย่างเพื่อจะอยู่ป ร, ราศจากตรจีวรบางผืนเธอปรารถนาอย่างนั้นก็เก็บตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งนั้นไว้ในละแวะกบ้านได้แต่จะอยู่ปราศจากจีวรผืนนั้นได้เพียง6กคืนเป็นอย่างมากตามในย่านนี้ภิกษุผู้จาพรรามาแล้วคงได้อนุญาตเพื่ออยู่ปราศจากจีวร เพิ่มขึ้นจากจีวรการอีกหวันข้าพระเจ้าไม่ยืนยันว่าความเข้าใจนี้เป็นของถูกขอฝากไว้แก่นักวินันเพื่อดำริต่อไปเป็นแต่ขอชี้แงที่จะพึงดำริไว้คืออุปะวะสังบทหนึ่งภาคว่าถึงปัจจัยเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวร อ, อันเรียงแยกจากภาคก่อนแห่งหนึ่ง เสนาสนะป่านั้นในคำพีวิพังกล่าวว่ามีระยะไกล5 0าร้อยชั่วธนูเป็นอย่างน้อยชั่วธนูหนึ่งสี่ซอกคือหนึ่งวาวัดโดยทางที่ไปมาตามปกติไม่ใช่ลัดโดยในย่านี้เสนาสนะอันอยู่ไกลาจากบ้านคนอย่างน้อยเพียง25ห้าเส้นชื่อว่าเสนาสนะป่า เสนาสนะเช่นนั้นจัดว่าเป็นที่รังเกียจเพราะที่อยู่ที่กินเป็นต้นของพวกโจรปรากฏอยู่จัดว่าเป็นที่มีภัยจำเพาะหน้าเพราะมีคนถูกฆ่าถูกตีถูกปล้นปรากฏอยู่ภิกษุอยู่ในเสนาสนะเช่นนี้ได้ประโยชน์พิเศษเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรเพิ่มขึ้นอีกหกคืนตามพระพุทธานุญาตในสิกขาบทนี้ นิสักคยาปาจิตติปัตตวสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์มาเพื่อตนเป็นนิสักคยาปาจิตติลาบในที่นี้ได้แก่จีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัช ซึ่งเรียกว่าปัจจัยสี่และของที่เป็นกัปปิยะอย่างอื่นๆคือของที่ควรแก่ภิกษุอย่างอื่นๆอีกลาบนั้นที่ว่าเขาน้อมไว้เป็นของจะถวายส่งนั้นคือเตรียมไว้ด้วยตั้งใจอย่างนั้นยังไม่ทันจะได้ถวายภิกษุน้อมลาบเช่นนั้นมาเพื่อตนคือขอเอาก็ดีพูดเรียบเคียงเพื่อเขาจะได้ให้ก็ดี ในประโยคที่ทมเป็นทุกกฎได้มาเป็นนิสัคีคำเสียสละแก่บุคคลว่าอิทังเมพันเตชานังสังขิกังลาพังปรินตังอัตโนปรินามิตังนิสัคขิยังอิมาหังอายะสมะโตนิสัชามิแปลว่าลาบนี้ เขาน้อมไปเพื่อเป็นของจะถวายสงฆ์ข้าพเจ้ารู้อยู่น้อมมาเพื่อตนจำจะสละข้าพเจ้าสละลาบนี้แก่ท่านน้อมลาบที่เขาจะถวายสงฆ์ไปเพื่อสงฆ์หมู่อื่นก็ดีเพื่อเจดีก็ดีเป็นทุกกฎน้อมไปเพื่อบุคคลอนุโลมตามศิกขาบทนี้ก็น่าจะเป็นทุกกฎเหมือนกัน แต่ปรับไว้เป็นปาจิตตีในสิกขาบทอื่นน้อมลาภที่เขาจะถวายเจดีย์ก็ดีที่เขาจะถวายบุคคลก็ดีให้สับกันเสียท่านว่าเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะมีคำว่ารู้อยู่อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจัจจตกกะ คือต้องมีเจตนามีความจงใจในสิกขาบทที่ปรับอาบัตเป็นสจิตกะเช่นนี้ภิกษุไม่รู้แน่แต่สงสัยขืนล่วงต้องทุกข์กดทำด้วยไม่รู้ไม่เป็นอาบัตเฉพาะในสิกขาบทนี้เขาปรึกษาบอกแนะนำไม่เป็นอาบัต